รังสัเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเอการงสนญญาเทระพระเอการงสนญญาเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าชนทั้งหลายรู้จักข้าพเจ้า ว, ว่าเจสวะโดยชื่อว่านารทะข้าพเจ้าสแสวงหากุศลและกุศลอยู่ได้ไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าพระมหามุนีพระนามว่าอัทธาทศี มีพระไทยประกอบด้วยเมตตาประกอบด้วยพระกรุณามีพระจักสูพระองค์นั้นเมื่อจะทรงปลอบโยนสัตว์ทั้งหลายให้เบาใจจึงทรงแสดงธรรมเขาพระเจ้าทําจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วประนมมือไว้เหนือเสียงกล้าวถวายอภิวาสพระาศาสดาแล้วบ่ายหน้าลีกไปทางทิศตะวันออกในกลับที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพัฒน์พระนามว่าอมิตตาปณะนะ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภิญยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอกรังสัิยเถระได้พาสิทธิาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ เอเฟรังชนิยเทราประทานที่แปจบเก้สาระทายกะเทราประทานประวัติในเดจจชาติของพระสาระทายกะเทระพระสาระทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจ่าของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นพญากไกรสอนพญาเนื้อมีชาติสูงแสวงหาบ่อ น, น้ำบนภูเขาอยู่ ได้เห็นพระผู้มีประภาคทรงเป็นผู้นำาสตว์โลกเข้าไะเจ้าจึงคิดว่าพระมหาวีรเจ้าพระองค์นี้ย่อมทำมหาชนให้สงบเย็นได้ทางที่ดีเราพึงเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้เป็นเทพยิ่ยงกว่าเทพทรงองค์อากววนนรชนเข้าไปเจ้าจึงหากกิ่งไม้สาละแล้วนำดอกมาพร้อมทั้งชอ่อเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายดอกไม้ชั้นดีเยี่ยม เนกกลับที่91อนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปิเลยนี้เป็นลพน่งการถวายดอกไม้และเนกกลับที่9นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิสามชาติมีพระนามว่าวิโรจนะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสาราทายกะเทระได้พาชุดคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้สาราทายกะเทราประทานที่เก้าจบ10พระทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระพระทายกะเทระ พระพะละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นนายพรานเที่ยวฆ่าสัตว์เอื่นมากมายนอนอยู่ที่เนื้อมเขาไม่ไกลพระาศาสดาพระนามว่าสิขีข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าแต่ข้าพเจ้าไม่มีทายธรรมที่จะถวาย พระศาสดาผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่จึงได้ถือผลมหาดไปยังสำนักพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนทรงรับผลมหาดไว้แล้วต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้ถือผลมหาดไปปรนิบัติพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษข้าพเจ้าได้สิ้นชีวิตลงณที่นั้นเองด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้น ในกลับที่ส1อดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายผลมหาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ในกลับที่สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติพระนามว่าปิยริณนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกป และอภิญญาหกพระพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพละทายกะเทระได้พาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้พละทายกะเทราประธานที่สิบจบโซพิตาวัคที่สิบสี่จบบริบูรณ์ร่วมประานที่มีนิวาสนี้คือ หโสภิตะเทราประทาน 2. สุทัศนเทราประทาน 3. จันทนะปูชกะเทราประทาน 4. ปุกพชาตินิยะเทราประทาน 5. รโหสัญญะเทราประทาน 6. จัมปะกะปุพพิยะเทราประทาน 7. อัฏฐสันทัศกะเทราประทาน 8. เอกระรังสนิยะเทราประทาน 9. สาระทายกะเทราประธานสิบภรทายกะเทราประธานบัณฑิตทั้งหลายรวบรวมคถาไว้เจสิบสองคถาดังนี้แล1ิบห้าฉาตวัก หมวดว่าด้วยพระชัตตะเป็นต้นหนึ่งอธิชัติยะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระอธิชัติยะเทระพระอธิชัติยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าอัท ธ, ธาทศีผู้สูงสุดแห่งนรชนเสด็จเดบผันเปรินิพานแล้ว ข้าพเจ้าให้ช่างทำฉัดเป็นชั้นๆบูชาไว้ที่พระสถูปข้าพเจ้าได้มานมาสัส ก, การพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกตามการอันสมควรได้ทำหลังคาดอกไม้บูชาไว้เหนือฉัดในกลับที่117นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ครอบครองเทวสมบัติไม่เปเกิดเป็นมนุษย์เลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูป คุณวิเศษเหล่านี้เคอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคาส่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอาทิติยะเทระได้พาสิทธิคาเหล่านี้ด้วยประการะนิอาทิติยะเทราประธานที่หนึ่งจบสอง ธรรมพาโรปร ะ, ะเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระธรรมพาโรปร ะ, ะเถระพระธัรมพาโรปร ะ, ะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าธรรมทัตสีทรงองค์อากว่านรชนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วข้าพเจ้าได้ยกเสาธงขึ้นไว ที่เจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดข้าพเจ้าให้นายช่างสร้างบันไดแล้วขึ้นสู่พระสถูปที่ประเสริฐได้ถือดอกมะลิไปบูชาที่พระสถูปช่างน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างน่าอัศจรรย์พระธรรมทั้งหลายช่างน่าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้มาประจวบพระศาสดาข้าพเจ้าจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูป เนี่ยกลับที่เกสนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิบหชาติมีพระนามว่าถูปัสิกะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระธรรมพาโรปร ะ, ะเทระได้พาศคถานเหล่านี้ด้วยประกาศนิธรรมพาโรปร ะ, ะเทราประทานที่สองจบสเวทีการะกะเทระประธานประวัติในดิตชาตของพระเวทีการะกะเทระพระเวทีการะกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระนามว่าปิยทัศ ส, สีทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเขาพระเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้กระทําแท่นสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าให้ประดับล้อมไว้ด้วยแก้วมณีแล้วได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดทาการฉลองแท่นสาหรับบูชาแล้ว ก็ได้ชินชีวิตลงหน้าที่นั้นเองข้าพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมทรงแก้วมณีไว้ในอากาศนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมเนี่ยกลับที่หนึ่งร้อยสิหกนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิสาสิบสองชาติมีพระนามว่ามณีประพามีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําส่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเวทีการ ะ, ะเทระได้ภาสิทธิ า, าเหล่านี้ด้วยประการชนี้เวทีการะกะเทราประธานที่สามจบสี่ สัพปริวาริยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระสัพปริวาริยะเทระพระสัพ ป, ปริวาริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปัทถุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากว่านรชนรุ่งเรืองดังกองไฟสเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว ก็เมื่อพระมหาวีระเจ้าเสด็จดับขันธปริพภานแล้วได้มีพระสถูปที่กว้างใหญ่ชนทั้งหลายบำรุงรักษาสิ่งของที่จะพึงถวายพระสถูปในห้องพระท่าซึ่งประเสริฐที่สุดครั้งนั้นข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ทำแท่นบูชาด้วยไม้จันทร์ถวายทูปและของหอมที่สมควรแก่พระสถูปข้าพเจ้าเมื่อเกิดในภพใดใด คือจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในภพนั้นๆไม่เห็นความต่ำต้อยของตนเลยนี้เป็นผลแห่งบุปกรรมเน่มับที่หนึ่งร้สิบห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแปดชาติมีพระนามว่าสมัตตะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินยาหกข้าพระเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระสัพปริวาริยะเทระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประคารชนีสัพปริวาริยะเทราประทานที่สี่จบหอุมาปุพิยะเทราประทานประวัติใน ต, ติจฉาของพระอุมาปุพิยะเทระ พระอุมาปุพยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้อัญชาวโลกบูชาผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วได้มีการฉลองพระมหาสถูกเมื่องานฉลองพระสถูก ข, ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่กําลังดำเนินไปอยู่ ข้าพเจ้าได้ถือดอกฝ้ายไปบูชาที่พระสถูปเนื้อขับที่เก้าสิบสี่นับจากขับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้เนื้อขับที่เก้านับจากขกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปดสิบห้าชาติมีพระนามว่าโสมเทพมีพภารณุภาพมาก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 อนุลมะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระอนุลมะทายกะเทระพระอนุลมะทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้ทําแท่นบูชาที่ต้นโพของพระมุนีพระนามว่าอนโนมทัศสีเขาพระเจ้าใส่ก้อนปูนขาวแล้วปาทิ้งเกลี้ยงด้วยเกลียงของตนเองพระาศาสดาพระนามว่า อนมทัตสีผู้สูงสุดแห่งนรชนพ่อพระเนตรเห็นกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีนั้นประทับยืนอยู่ในทถ้ำกลางหมู่พิกษุได้ตรัสพระคถานี้ว่าด้วยผลกรรมเกิการฉาบด้วยปูนขาวนี้และด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นผู้นี้จากได้สวยสมบัติแล้วทําที่สุดทุกข์ได้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสีหน้าผ่องใสเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เดียวมีใจตั้งมั่นด้วยดี ทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกลับที่หนึ่งร้นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิพระนามว่าสัมปัสนะบริบูรณ์ไม่บกพร่องมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพรเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอนุโลมะทายกะเทระได้ภาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อนุโลมะทายกะเทราประทานที่หจบ 7. มัคคะทายกะเทราประธานประวัติในดิจชาของพระมัคคทายกะเทระ พระมคฆาทยกเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุเสด็จข้าแม่น้ำแล้วดำเนินไปสู่ป่าข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะมีพระลักษณะอันประเสริฐพระองค์นั้นข้าพเจ้าจึงถือจอบและปุ้งกีมาปรับผลทางนั้นให้ราบเรียบถวายอภิวาพระศาสดาแล้ว ทำจิตของตนให้เลื่อมใสเนี่ยกับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปเขาไปเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการทำทางถวายเนี่ยกับที่ห้าสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาไปเจ้าที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่าสุ ป, ปะพุทธะผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนเป็นผู้นาคุณวิเศษเหล่านี้เือปฏิสัมพิทาสี่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 พระลกาทายกะเทระพระพละกาทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายช่างทำยานพานะเป็นผู้ศึกษาดีในการงานของช่างไม้ได้ใช้ไม้จันทร์ทําเป็นแผ่นกระดานแล้วถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกวิมานทองคําที่บุญกรรมเนระมิตดีแล้วนี้ สองแสงสว่างสวยัยยานคือช้างยานคือมา้าซึ่งเป็นยานทิพย์ได้ปรากฏแขกเข้าพเจ้าประจาศววอและแก้วประมาณมิได้บังเกิดแก่เข้าพเจ้าตามปรารถนานี้เป็นผลแห่งการถวายแผ่นกระดานในกับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเข้าพเจ้าได้ถวายแผ่นกระดานไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายแผ่นกระดาน ในกลับที่ห้าสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสี่ชาติพระนามว่าพระวะนิมมิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระพลกะทายกะเทระได้พาสุขถาเหล่านี้ด้วยประการชนี พ, พลกะทายกะเทราประธานที่8ปจบก้าวัตังสกิยะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระวตังสกิยะเทระพระวตังสกิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระสยามภู ผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้พระนามว่าสุเมทะเมื่อจะทรงพอกพูนวิเวกจึงเสด็จเข้าป่าใหญ่เขาพระเจ้าเห็นดอกช้างนาวบาลสะพรั่งจึงนำมาร้อยเป็นพวงมาลลยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเฉพาะพระพักของพุทธเจ้าเนื้อกับที่สามหมื่นนับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื่อกลับที่หนึ่งสนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสหชาติพระนามว่านิมิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวะตังจักกิยาเทระได้พาสึกขาถานเหล่านี้ด้วยประกาศนี้วตังจักกิยาเทราประธานที่เก้าจบสิปัญละกะทายกะเทราประธานประวัติในฎิตชาติของพระปัญละกะทายกะเทระพระปัญละกะทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายบันลังพร้อมทั้งเพดานและผ้าคลุมอาดแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสุมเมทะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ครั้งนั้นบันลังนั้นสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการดังจะรู้ความคิดของข้าพเจ้าจึงได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าทุกเมือ่อเนี่กลับที่สามหมื่นนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายบันลังไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายบันลังในกลับที่สองหมื่นนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติพระนามว่าสุวรรณาภะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกษ์แปและอภินญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัญลังกาทายกะเทระได้พาสิกขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปันลังกาทายกะเทราประทานที่สิบจบชาตวรัชที่สิบห้าจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวรัก์นี้คือหนึ่งอธิชาติยะเทราประทาน สอทัมภาโรปะเถราประทาน 3. เวทิการกะเถราประทาน 4. สปริวาริยะเถราประทาน 5. อุมาปุพิยะเถราประทาน 6. อนุลมะทายกะเถราประทาน 7. มัคคะทายกะเถราประทาน 8. ภลกะทายกะเถราประทาน 9. วตังสกิยะเถราประทานสิบ ปันลังกะทายกะเทราประทานบันดิตประกาศคถาไว้ห้าสิบสองคาถาสิบหกพันธุชีวกะวักหมวดว่าด้วยพระพันธุชีวกะเป็นต้น หพันธุชีวกะเทราประทานประวัติเนดิตชาติของพระพันธุชีวกะเทระพระพันธุชีวกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมวลทินบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุนมัวดังดวงจันทร์ซึ่งความเพลิดเพลินในภพแล้วทรงข้ามตันหาที่สร้างไปในโลกได้แล้ว ทรงช่วยหมูชนให้สงบเย็นทรงข้ามเองแล้วพาหมูชนให้ข้ามทรงเป็นพระมุนีเข้าฌานอยู่ในป่าเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เดียวมีพระหฤทัยตั้งมั่นด้วยดีเทพเจ้าใช้ได้ร้อยดอกฉบาแล้วบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าจิตขีพระองค์นั้นผู้เป็นเผ่าพันของโลกเนกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับในไป ข้าพเจ้าได้ทำกรรมไว้ครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่กลับที่เจ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสมันตะจักรสุเป็นจอมมนุษย์มียศใหญ่มีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพันธุชีวกะเทระได้พาสุขคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้พันธุชีวกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองตัมพระปุพพิยะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระตัมพระปุพพิยะเทระพระตัมพระปุพพิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขนขวายในการงานของบุคคลอื่นได้ทำความผิดไว้แล้วประสบภัยเวรจึงวิ่งหนีไปตามราวป่าข้าพเจ้าที่เห็นต้นไม้มีดอกเป็นพวงบานสะพรั่งที่ธรรมชาติสร้างไว้จึงถือดอกแดงๆไปเกลี่ยลงที่ต้นโพข้าพเจ้าได้กวาดต้นแครอยซึ่งเป็นต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ที่ประเสริฐนั้นแล้ว เขาไป น, นั่งขัดสมาธิที่โคนต้นโพชนทั้งหลายสแสวงหาทางไปอยู่ได้มายังสำนักของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเห็นชนเหล่านั้นณที่นั้นแล้วระลึกถึงต้นโพที่ประเสริฐข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสไหว้ต้นโพแล้วตกลงไปในเหวที่น่ากลัวลึกหลายชั่วลำตาล น, นี้กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ ยังไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลเนื่งการบูชาต้นโพเนกลับที่สามนักจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิพระนามว่าสุสัญญาตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตัมภะปุพยะเทระได้พาศึกถาเหล่านี้ด้วยประกาศนี้ตัมภะปุพยะเทราประธานที่สองจบสวีถิสัมมัชกะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระวีติสัมมัชกะเทระ พระวีธิสัมมาชก ะ, ะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีพระราชมีรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์อุทยัยและดุดดวงจันทร์เสด็จดำเนินไปดังดวงจันทร์ในวันเพ็ญภิกษุสงฆ์ประมาณห8 0ม0่ดพันรูปรวมเป็นพระขีณาสพแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ทรงองค์อากว่านรชนเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จดำเนินไปเขาไปเจ้ามีจิตผ่องใสจึงกวาถนนนั้นแล้วได้ยกธงขึ้นที่ถนน น, นั้นเนกลับที่เก้าสบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาไปเจ้าได้ใช้ธงบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการยกธงถวายบูชา ในกลับที่สี่นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้เป็นพระราชาปรากฏพระนามว่าสุทชะสมบูรณ์ด้วยอาการทุกอย่างมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิญยาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวีถิ สัมมัชกะเทระได้พาศิคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนิวิธีสัมมัชกะเทราประธานที่สามจบ4กาการุปุปะปูชกะเทราประธานประวัติในดิจชาติของพระกาการุปุปะปูชกะเทระพระกาการุปปะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นเทพบุตรบูชาพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิกขีผู้ทรงเป็นผู้นำได้ประคองดอกฟักฟิปบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนื้กลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าและเนื้กลับที่เก้านับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าสัตตุตมะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากกุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระกะการุปุภะปูชกะเทระ ได้พาสึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิประการูปปุกพะปูชกะเทราประทานที่สี่จบหมันธาระวะปุกพระปูชกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระมันธาระวะปุกพระปูชกะเทระพระมันธาระวะปุกพระปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า พระพเจ้าเป็นเทพบุตรบูชาพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิกขีผู้ทรงเป็นผู้นำได้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยดอกมณฑารพพผัวมาลัยทิพย์ได้เป็นหลังคาอยู่เหนือพระตถาคตตลอดเจ็วันประชาชนทั้งปวงมาประชุมกันนมัส ก, การพระตถาคตในกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าและในขับที่สิบนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิพระนามว่าชุตินทระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระมันทาวระวะปุพพะปูชกะเทระได้พาสิกถานนี้ด้วยประการฉนี้มันทาวระวะปุพพะปูชกะเทราประธานที่ห้าจบหกระทำพระปุพพิยะเทราประธานประวัติเนดิตชาตของพระกระทำพระปุพพิยะเทระพระกระทำพภะปุพพิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่ากุกกุตะมีพุท ธ, ธะเจ็ดพระองค์อาศัยอยู่ที่เชิงภูเขานั้นเขาพระเจ้าเห็นต้นกระทุ่มมีดอกบานสะพรั่งดังดวงจันทร์ลอยเด่นในท้องฟ้าจึงใช้มือทั้งสองประคองโปรยบูชาพุท ธ, ธะทั้งเจ็ดองค์เนี่กลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพุทธะเนี่ยกลับที่เกสบสองนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเจ็ดพระองค์มีนามเหมือนกันว่าบุพะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระกระําพระปุพพิยะเทระได้พาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้กระธรรมพระปุพพิยะเทราประธานที่หกจบเจ็ดติาสูลกะเทราประธานประวัติเนติตชาของพระติาสูลกะเทระ พระติณสูลกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในที่เมฆไกลภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูตาคณะพระสยามภูชินเจ้าองค์หนึ่งผู้สละโลกแล้วอาศัยอยู่ที่ภูเขานั้นข้าพเจ้าถือดอกมลิซ้อนไปบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าจึงไม่ตกวินิบาตนรกตลอดเก้าหมื่นกับในกัทที่สิอด นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าธรณีรุหะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8แปและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระติณสูลกะเทระได้พาศัพท์คาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ติณสูลกะเทราประธานที่เจ็ดจบแนาคาปุพิยะเทราประธานประวัติเนดิตชาตของพระนาคาปุพิยะเทระพระนาคาปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพรามณ์มีนามว่าสุวัชะ ผู้จบมนมีพวกศิษย์ของตนห้อมล้อมอาศัยอยู่ระหว่างภูเขาพระจินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้สมควรรับเครื่องบูชาพระองค์ทรงประสงค์จะช่วยข้าพเจ้าจากสังสารวัตรจึงเสด็จมายังสำนักของข้าพเจ้าพระองค์เสด็จจงกลมอยู่ในอากาศเหมือนประทีที่กำลังลุกโพงทรงทราบความร่าเริงของข้าพเจ้าแล้วบ่ายพระพักเสด็จหลีกไปทางที่ตะวันออก ข้าพเจ้าได้เห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยมีหน้าขนผ่องสยองกล้าวนั้นแล้วจึงเจ็บเอาดอกกลากระทิงไปโปรยลงที่ทางสเสด็จไปเนี่ยกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้โปรยดอกไม้ไว้ด้วยจิตที่เลื่อมสายนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ไปเกิดยังทุกติเลยเนี่กลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่ามหารั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 นาคปุพพิยะเถราประธานที่แปดจบเก้าบุญนาคปุพพิยะเถระประธานประวัติในเดตชาติของพระบุญนาคปุพพิยะเถระพระบุญนาคปุพพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นนายพรานเข้าไปยังป่าดงทึบอาศัยอยู่ได้เห็นดอกบุญนาฟานสะพรั่ง จึงหวนระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดจึงเลือกเก็บดอกบุญนาคนั้นซึ่งมีกลิ่นหอมยิ่งนักแล้วก่อสัตถูบที่กองชายบูชาพระพุทธเจ้าเนื่อกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื่อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าตามโมนุทะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปุณาคบุพยเถระ ได้ภาสิทถาเหล่านี้ด้วยประการศนิปุณณะปุพยะเทราประทานที่เก้าจบสิกุมุทธะทายกะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระกุมุทธทายกะเทระพระกุมุทธทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าในที่เมฆไกลภูเขาหิมพานได้มีสัธรรมชาติ สะเกิดเองสะใหญ่ดารดาดด้วยดอกปทุมและดอกอุบลสพร่างไปด้วยดอกบุญทริกครั้งนั้นเข้าไปจ้าเกิดเป็นนกมีนามว่า ก, กุกูตะเป็นสัตว์มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดฉลาดในบุญและไม่ใช่บุญอาศัยอยู่ใกล้สะนั้นพระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จจาริกไปในที่ไม่ไกลสะนั้น ข้าพเจ้าหักดอกโกมุดซึ่งเกิดในน้ำแล้วน้อมเข้าไปถวายพระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าปทุมุตระผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้พระมหาหมุนีทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วจึงทรงรับไว้ข้าพเจ้าครั้นถวายทานนั้นแล้วถูกกุศลมมลตักเตือนแล้วจึงไม่ไปเกิดยังทุกติเลยตลอดหนึ่งแสนกลับในกลับที่หนึ่งร้อยสิบหนับจากกลับนี้ไป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 ภูมุทธทายกะเทราประทานที่10บจบพันธุชีวกะวักที่16จบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวักนี้คือ 1. พันธุชีวกะเทราประทาน 2. ตัมพระปุพพิยะเทราประทาน 3. วีถิสัมมัชกะเทราประทาน 4. ก่ประกาศรูปปภะปูชกะเทราประทาน หมันธาระวะบุพพูชกะเทราประทาน 6. กระทำพระบุพเพยะเทราประทาน 7. ติณสูลกะเทราประทาน 8. นาคปุพเพยะเทราประทาน 9. ปุณณะคบพเพยะเทราประทาน 10. บบุมุธทธายกะเทราประทานบันดิกเปล่าคาถาไว้ห้าสิหกคาถา